มันไม่มีทางเลือกอื่นใดบางครั้งบางคราวเท่าที่เราสามารถจัดการได้ในวันวันหนึ่งอาจจะเพียงแค่ครึ่งรถเข็นเท่านั้นเรากำลังจัดการอะไรสักอย่างกับปัญหาแทนที่จะเอาแต่บ่นว่าจนนำไปสู่ความสึมเศร้าวันแล้ววันเล่าที่เรากลัวที่วัววันแล้ว ว, วันเล่า